50 languages. Seventeen. Fadi neiru. Rabban. Vidum sutramum. Bān koang l คூ ர ை மேலே இருக்கிறது ดด์ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่าง அ ட ி த ัลม์คีเรย์ยิ க ิกิรัดมีสวนอยู่ข้างหลังบ้านวีติน ன ் ன น ஒரு தோட்டம் இருக்கிறது ไม่มีถนนอยู่หน้าบ้าน வீட்டின் முன்னே ச ாนน อ, อை எ த ு வ ுง் இல்லை มีต้นไม้อยู่ข้างบ้านบีทินอร์เก e ารังเกย์วุล a นะันอพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่เอ็ a อพาร์ตเมนต์ยิ่งก์ยิ ร, กกรห้องครัวและห้องน้าอยู่ที่นี่ยิ่งก์สมัยอะไรยุ่มคุณยลอะไรยุ่มยิริกก ห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่อังค์วสิคุมอรยุมปอุกัยอรยุมอิริกินดานะประตูบ้านปิดวีตินมุนกดัดเวมูดอิริกีรดิแต่หน้าต่างเปิดออนอลจันนลัลฟัลเทรันด์อิริกินดานะวันนี้อากาศร้อน ยิน ற ுมிก வ ุ ம ் வ ெ ப ்มาா க இ กு க ิ க ிริกรดเรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่นน้องก க ்วสิกุ ற มอร க ுกெเซนร க ொ ண นดு இ ิு க ริก ற ร ம มมีโซฟาและเก e ้าอี้นวมตั้งอยู่ที่นั่นอังก์วุร์โซฟาบุ้งไคปืดีนอร์กาลิยุ่ยิ்่ริกินเดรเนเชิญ น, นั่งค่ะ ไดเอวเซิด ட ் க การังเกลคอมพิวเตอร์ของดีฉันตั้งอยู่ตรงนั้นอังก์ยนูเรียคอมพิวเตอร์ยริกขี่ระดับสเตอริโอของดีฉันตั้งอยู่ตรงนั้นอังก์ยนูเรียสเตอริโอซิสเต็มยริกขี่ระชุดทีวีเป็นของใหม่ ทีวีต้อ த ொ ல ை க ் க ா ட ் ச ปปெ ட ் ட ி புத்தம் ப ு த ி ய த ะ